มีข้อความข้อความที่ผมผมสนใจนะครับก็คือบอกว่าการที่จะบรรลุมรคนั้นเนี่ยไม่ได้บรรลุอ่าไม่ได้บรรลุเพราะว่าสมาธินะมาเด็ดบรรลุด้วยเอ่าสตินะแต่จริงๆแล้วนี่นะการที่จะบรรลุมรคนี่ยบรรลุด้วยปัญญานะส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นนี่เป็น ท่านเคยเห็นไหมผมเคยได้ยินนะแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วข้อความมันนี้ก <c oughs> ็เน้นปัญญาเหลือเกินถ้าหาว่าท่านไม่มีปัญญานะเลยมีอย่างอื่นเยอะแยะอย่าหวังเลยพูดอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ถึงแม้ท่านจะมีสมา ร, รถที่ถึงขั้นอรูปฌานนั้นก็อย่าหวังเลยที่จะบรรลุนีถ้าท่านไม่มีปัญญาเลยอันนี้ก็แค่แค่ผ่านผ่านไปนะครับ <c oughs> สําหรับที่ผมกําลังสนใจอ่านวิสุทธิมรรคอยู่เนี่ยนะก็ ไปได้ข้อความที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายนะครับในวิสุทธิมรักนะครับมรคามรคยานทัศนวิสุทธินิเทศท่านกล่าวว่านี้ครับท่านกล่าวบอกว่า<น>ปริญญาทั้งหลายที่เราชินใช่ไหมเราได้ยินใช่ไหมยาตปริญญาตรีระนาบปริญญาปหาระนปริญญาเราได้ยินบ่อยๆท่านอาจารย์เน้นบ่อยๆนี่นะครับท่านบอกว่าปัญญาเหล่านี้นี่นะครับที่เป็น เโลกียะปริญญามีอยู่สามคือหนึ่งยาตาปริญญาท่านบอกไว้ว่าหนึ่งยาตาปริญญาการกําหนดรู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วทนหมยงี้ยนะน่าฟังไหมครับของเราหนะ้าดำําเกรียดอยู่นะใช่ไหมฮะไ อ, อ้จริงที่ว่ารู้กันอยู่แล้วนะั่นแหละแต่ว่าเราอย่งนะครับกำลังศึกษาอยู่แสดงว่าในสมัยในในอดีตหรือในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ย ยาตาปริญญาเนี่ยการกําหนดรู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้ววงเล็บปรากฏอยู่แล้วนะครับเช่นหมายความว่านามรูปกฎดีจิตเจตสิกรูปเนี่ยโอ้สมัยก่อนเนี่ยเขารู้กันอยู่สบายๆอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งเป็นจับเป็นยานเลยนะแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะยานนี้เนี่ยที่มันตั้งชื่อเป็นยานเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่วิปัสสนาญาณด้วยใช่ไหมครับ ก็มีบางคัมภีร์อย่างเช่นอภิธรรมสังฆะก็เรียกวิปัตนายานนครับแต่ถ้าในชั้นอัตถกถาก็ไม่ค่อยเรียกว่าญาณ น, นะไม่ค่อยเรียกว่าญาณ น, นะจายแต่กล่าวก็เฉพาะในตดทางฆาปะหารตดทางฆาปะหารครับเพราะฉะนั้นนะยาตาปริญญานี่นะครับที่เรากําหนดรู้ลักษณะรูปการเกิดการดับคุณโทษอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับที่ จิเตเจตสิกรู้เนี่ยนะเขาบอกว่าการกําหนดรู้อย่างนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วสองตรีร ะ, ะปริญญากําหนดรู้ด้วยการไตรตรองอ อ, อันนี้น่าคิดนะครับคือว่าญตรีระนาปิญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาไตรลักษ์ใช่ไหมครับนะไตรลักษ์ อ, อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านบอกว่าเกิดจากการไตรตรองนะท่านเน้นลงไปเลยนะครับ แล้วยังงเลยบไปอีกว่าใคร่ครวนนะส่วนปัญหาน้าปัญญาณนั้นท่านบอกว่าเป็นการกําหนดรู้ด้วยการละอันนี้ก็ไม่สงสัยนะครับท่านจะมีอะไรจะ อ, อ, อธิบายเพิ่มเติมไหมครับโดยเฉพาะตรีนปัญญาเนี่ยกำหนดกําหนดรู้ด้วยการไตรตรองที่ย้อนไปต้นนะกำหนดรู้สิ่งที่รู้อยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว ก็คือขันธ์ห้าใช่ไหมความเป็นขันธ์ห้าความเป็นอายตนะขนาดไหนบ้างไม่มีใช่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกชีวิตต้องมีอยู่แล้วแต่ในชั้นของตีรณะปริญญานั้นน่ะคือปัญญาต้องคข่ครควรเอานะส่วนในชั้นของยาตะปริญญาเนี่ยการรู้สภาวะลักษณะของธรรมะนั้นนั้นเนี่ย การศึกษาธรรมะแบบแบบนี้นะต้องต้องเป็นคนที่ชัดเจนในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งอยู่แล้วเช่นผู้ที่อบรมกายานุปัสสนาหรือกําหนดรูปปัจขันธ์อันเวลาพูดถึงคําว่าธรรมะเหล่าใดเหล่าหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนั้นนะ่ะต้องอย่างถึงอันนั้นเลยต้องสมมุติว่ากําหนดเรื่องผมเนี่ยกําหนดรู้สิ่งที่มีอยู่ต้องนึกถึงผมทันทีเลยในขณะนั้นต้องมี ผมเป็นอารมณ์นะผมมีรูปเท่าไหร่เสร็จแล้วบอกว่าปัจจัยของของผมต้องนึกไปที่ผมนะไม่ใช่โอ้ธรรมะเหล่านั้นเกิดด้วยปัจจัยธรรมะอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้แตนะ่เสร็จแล้วก็มีคําแววๆมาปัจจัยมีอวิชามีตัวเลยออ่างขึ้นเลยวอลแวนสอัองชอช้างสองตัวสั่อาอวิชานะเป็นปัจจัยแล้วเขียนวงขึ้นมาเลยเป็นปัจจัยอยู่ น, นู่น อันถ้าศึกษาอย่างนี้นะไม่ได้ตําหนินะเพียงแต่เล่าว่าจะห่างจากความจริงมากเมื่อจะห่างจากความจริงแล้วมันจะน่าสงสารว่าเอะถ้าทํากับเรานี่ดูจะห่างกันเลยเกินเสร็จแล้วศึกษาไปนานๆเข้ามันจํามากมันเหนื่อยมันจะแผ่วไปที่ไหนก็มันเลแผ่วแผ่วแผวแผ ว, แผวฟงเลยก็นีนนั่งฟุงอะ่ะเคยละครั้งหนึ่งมันนั่งอยู่ที่สารหลบไปอยู่ในปา่า เสร็จแล้วไปนั่งตรึกโอ้ยตัวเลขมาเพียบเลยนะค่อยคําเหล่านี้มันตัวหนังสือเนี่ยโผล่มาเลยคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะคล้ายๆกัเรากดนะภาพจะออกมาอย่างนั้นเลยจะคิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่อง อ, ง อ, งอจําได้ทังเยอะกูสอแล้จิตน่าจะเกิดไม่เกิดหรอกมันหัวนี่มันร้อนขึ้นมาเลยเผาเผาเ ผ, า, ผาเนี่ย<ม>เรารู้ว่าถ้าคิดต่อช็อตแน่ก็เมันเครียดอ่ะเรารู้ว่าเอานี่ไม่ใช่ทางเลย ทีนี้ตั้งกันนั้นมาก็มันได้บทเรียนเลยเพราะฉะนั้นธรรมะหมวดใดก็ตามต้องทรงเคาะลงมาสักอย่างหนึ่งเราต้องตรึกถึงธรรมะคำใดคำหนึ่งก่อนที่เราศึกษาเนี่ยที่เราชัดเจนที่สุดเช่นกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะถ้าจิตนะต้องธรรมชาติที่คิดอารมณ์หรือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เช่นจิตทางตาหลังถ้าจะพูดถึงวิญ ญ, ญาณเมื่อไหร่ปุ๊บนึกถึงจิต อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจิตเห็นจิตได้ยินจิตนึกคิดใส่ใจโดยความเป็นจิตเสร็จพูดถึงปัจจัยนะปัจจัยอะไรด้วยจิตอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลทีนี้ค่อยต่อไปธรรมะหมวดอื่นๆธรรมะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็มาสงเคราะห์ลงกับกับสิ่งที่เรากําลังพิจารณาอยู่ทีนี้มันเกิดอีกอย่างหนึ่งทีนี้มันอินใจแล้วครับนี่ไอ้เมื่อก่อนคิดแบบนั้นเนี่ยเครียดร้อนผ่าวผาแต่ถ้าคิดแบบ มีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรองรับแล้วดึงพระธรรมลงมาสงเคราะห์พิจารณาไปด้วยเนี่ยปลับสบายใจมากบอกว่าอย่างนี้น่าจะเป็นทางเสร็จ <c oughs> แ, แล้วพยายามเดิมคิดใหม่ที่นี้เราก็สวดสวดได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมบางอย่างเราก็สวดได้เราก็สวดเลยกุศลาทำมาเราก็สวดเอ๊ะจะเป็นกุศลได้ยังไงอตามองเห็นเป็นกุศลได้ยังไงแต่เราต้องชัดนะว่าอะไรคือกุศลกุศลต้องเป็นจิตใช่ไหม ไม่ใช่สีไม่ใช่จากครูวิญญาณไม่ใช่ตานั้นจะต้องเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นเพราะั น, นความคิดอันนี้จะเป็นกุศลได้อย่างไงแล้วก็ค่อยๆสาทยายธรรมะไปเรื่อยตรงไหนชัดก็คิดนานหน่อยไม่ชัดก็ว่าต่อไปเสร็จแล้วคงไม่ใช่ครั้งเดียวว่าได้เป็นพันๆครั้งได้ยิ่งเจ๋อเลยนั่นแหละอย่างเราจะสวดสักสูตรหนึ่งเนี่ยเหมือนกันนึกถึงพุทธคุณด้วยอะไรพยายามมองมาที่ชีวิตเรา พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธโธพระองค์ตรัสรู้แล้วอะ่ะล้วก็มองมาที่ชีวิตเราพระองค์เนี่ยรู้ชีวิตเราทุกแง่ ม, มุมเลยชีวิตของเราซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะอย่างเช่นความนึกคิดของเราทั้งหลายเนี่ยจิตของเราทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่ า, าวันวันหนึ่งเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงบ้างแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเรื่องจิตของเราได้อย่างละเอียดเช่นแล้วก็เอาสูตรที่ที่เราศึกษา ม, มาก็สงเคราะห์เสร็จแล้วก็จะเห็นชัดแม้แต่เรื่องขันเรื่องธาต เรื่องอายตนะก็เหมือนกันอายตนะปุ๊บต้องนึกเลยนะต้องเอาทวารใดทวารหนึ่งมาตั้งเช่นนึกถึงอายตนะในในโต๊ะอาหารใช่ไหมลิ้นชิวห า, ายตนะรสเป็นรส า, ายตนะนั่นแหละหรือถ้าหากว่าเราจะนึกถึงอายตนะทางลิ้นเนี่ยเราต้องนึกถึงลิ้นรสอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาแตะปลายลิ้นแล้วชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นสามอย่างประชุมการเป็น ภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีนี้เราก็มาชัดว่ารสอันนั้นเนี่ยในอาหารชิ้นนั้นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยแล้วตัวลิ้นขณะนั้นเนี่ยเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่ชิวหาวิญญาณเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่ใช่ไหมเรากค่อยๆไต่ตรองไปเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคอุปมาลิ้นเหมือนอย่างเหมือนอะไรเรือ น, นว่างานั่นแหละฮะโดยอายตนะนี่ ลิ้นเหมือนเรือนว่างรถเหมือนโจรปล้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นแม้แต่จิตที่รู้รถก็เหมือนกับเรือนว่างธรรมอารมณ์เจตสิกที่ประกอบกับนั้นก็เป็นเหมือนกับโจรปล้นเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะอันเราก็พยายามตรึกโดยที่มีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเครื่องรองรับแล้วเราจะไม่ต้องจําด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ปั๊บเราไม่ต้องจําเลยเพราะมันมีอยู่แล้ว เพียงแต่เอาความรู้เนี่ยใส่ลงไปความรู้ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่เป็นธรรมรัตนะเนี่ยที่เป็นธรรมมังสะระนาขฉ า, ามีเนี่ยความรู้เนี่ยมาสงเคราะห์ลงเช่นกับพิจารณาทางตาก็นั่งกับพิภูตาอยู่เนี่ยก็ดึงธรรมะลงมาต้องไม่มีภาพอย่างอื่นเข้ามาเลยต้องเอาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วค่อยๆคลายครวนเข้าใจธรรมะดึงธรรมะความรู้ที่เราศึกษาเนี่ยมาสงเคราะห์มาเพ่งใช่ไหมถ้าจะตรึกเส้นผมบับเราก็ต้องนึกถึง เรื่องของบนศีรษะของเราอย่างเดียวเสร็จแล้วพยายามดึงธรรมะเท่าที่เราทําได้มาพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงจะเบาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะจําไปอีกแล้วมันจาแบบถ้าลืมทวนก็ลืมแต่นี้เราไม่ต้องจําเลยนึกถึงผมเมื่อไหร่ปรั๊บคำสอนที่เราเคยพิจารณานี่จะมาอันเรื่องไหนที่เราพิจารณาบ่อยเราจะคล่องเรื่องนั้นที่สุดนั่นแหละพอพูดถึงเวทนาปั๊บ เวทนาทางตาโดยที่มีสีเป็นอารมณ์กี่อยางเห็นไหมีสามอย่างเพราะฉะนั้นถ้าสุขเวทนาจะเกิดขึ้นนะมันสามารถรู้ได้โอ้เพราะสีที่ที่ดีทําให้เกิดสุขสีที่ไม่ดีทําให้เกิดทุกข์หรือว่าเออสีที่ธรรมดาธรรมดาก็ทําให้เกิดอุเบกขานั่นแหละเพราะฉะนั้นจะสามารถรู้ถึงปัจจัยได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้ว พอเรามีความชัดเจนในธรรมะเหล่านี้มากๆขึ้นนะเริ่มประมวลประมวลของเรื่องของปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างชัดเจนเสร็จแล้วเราต้องพอกพูนความรู้ขึ้นมาอาศัยคําสอนที่ว่าท่านจงพิจารณากายนี้นะอย่างเช่นมหาภูต ร, รูปเนี่ยกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้ต้องพิจารณาขึ้นนะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง ตัวกายเนี่ยเขาตัวเขาอไม่เที่ยงหรอกแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยพิจารณาฉั้นต้องพิจารณาขึ้นท่านจงพิจารณากายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากะเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแะไะเมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนี้ใช่ไหย ท่านก็จะเป็นผู้ที่เบื่อหน่ายนะหรือสา ม, มารถที่จะละวิปลาชธรรมในกายนี้ได้แต่ในชั้นต้นเน้นะความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยของกายเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วงนั้นความรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของกายเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องดีอยู่แล้วนะกรรมสักตาต้องแน่นอยู่แล้วแต่ถ้ากรรมสักตา ย, ยังไม่แน่นนะมันไม่เที่ยงใส่คำว่าไม่เที่ยงลงไปนะดีไม่ดีกระเดียดไปอุเฉททิถิ นั่นแหละถ้าหากว่ากายเนี่ยไม่รู้ปัจจัยเพียงพอเสร็จแล้วบอกมันเป็นทุกข์จะกระเดียดโทสะนั่นแหละเพราะมันไม่ชอบละไม่เที่ยงเยชักไม่เคยชอบละเพราะนั้นคนที่จะรู้เรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์นั้นะจะต้องมีความเข้าใจเรื่องของปัจจัยอย่างดีนั้นความรู้ที่อาศัยฐานจากปัจจัยในการพิจารณาเรื่องของตีรณะนั่นแหละถ้ารู้พิจารณาตีรณะมากๆเข้า มันจะเริ่มพิจารณาเรื่องของอเพราะว่าตีระมาจากเรื่องของปัจัยเสร็จแล้วมันจะอย่างถึงแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งมันจะมองเบื้องต้นและมองที่สุดของสิ่งนั้นๆสิ่งนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นใช่ไมสิ่งนั้นมีอะไรเป็นที่สุดอย่างจิตทางตามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีตามีสีเป็นเบื้องต้นถ้าจิตชาติไม่บากต้องมีกรรมเป็นปัจัยนี่คือเบื้องต้นของจิตเห็นจึงเกิดขึ้น ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้หมดสิ่งนี้จะมีอยู่ไหมไม่มีแต่การพิจารณาอย่างนี้ต้องผ่านคนนั้นจะต้องเรียกว่าเบือร์นายหรือว่ามีการพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้พอสมควรแล้วจึงจะจึงจะมีความความสามารถในด้านนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตีรณะปริญญาเป็นอุปนิสยัยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อป harma นะปริญญานั่นแหละแต่ทีนี้ในส่วนหนึ่งสําคัญที่สุดเวลาฟังธรรมเราต้อง ต้องขี้เรื่องในตัวให้มากๆากขี้เรื่องธรรมะในตัวอย่างจิตก็ต้องเป็นจิตในตัวนะเจตสิกก็ต้องเจตสิกในตัวสีก็ต้องเป็นสีในตัวนั่นแหละเพราะว่าสีใบไม้ใบหญ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ยเกี่ยวข้องกับเราหรอกใบไม้มันจะเปื่อยเน่าสักพันพันใบนะมันก็เราก็ไม่ได้เจ็บกับมันหรอกใช่ไหมแมลงจะกัดใบไม้สักมากๆนะ พูนหมดทั้งต้นเรารู้สึกไม่ได้เดือดร้อนเลยแต่ลองเสิวขึ้นหน้าลักอันหนึ่งดูสิไม่สนุกเลยนะนั่นแหละใช่ไหมหรือว่าอยโย่บุ้งเนี่ยมาบุ่งมามามาทุกใช่ไหมจกักโอ้โหอันนี้ชักมีปัญหาแล้วพันแสดงว่าเรายึดถือในกายนี้มากให้พิจารณาเรื่องของชีวิตของเรามากๆเสร็จแล้วเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราจะศึกษาพระธรรมหมวดไหนจะไม่ยากเลยนะพระไตรปิฎกนี้ จะอ่านไม่ยากนะถ้าเราคิดเรื่องข้างในตัวเราแต่ถ้าคิดนอกตัวเรามา ก, มากๆโ้ยากจริงๆอย่างเช่น เ, เราเมื่อเมื่อเช้าก็ได้กล่าวถึงเรื่องของปริญญาสามเนี่ยแสดงอีกในหนึ่งเขาเรียกว่าวิสุทธิเจ็ดนะก็คือปริญญาสามก็คือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเรียกว่ายาตะปริญญา มคามมขยานทัศนวิสุทธิพวกนี้เป็นนะเป็นพวกตีรณปริญญาสองอย่างเนี่ยส่วนปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิพวกนี้ก็คือปหานะปริญญาที่เป็นโลปิยะนั่นแหละส่วนญาณทัศนวิสุทธิก็คือปหานะปริญญาที่เป็นโลกุตระมันจะสัมพันธ์กันจะเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นรถเจ็ดพลัดนะมาบอกรถเจ็ดพลัด อายาตะปริญญาทางตาได้ไหมได้อ่านะตาสีจิตเห็นพวกนี้นะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ดีพร้อมทั้งปัจจัยของตาปัจจัยของสีปัจจัยของจิตเห็นพวกนี้เป็นยาตาปริญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีจะได้ทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณะวิสุทธิแต่ว่าคนที่จะบตาลบเรื่องนี้ดีๆนะวันก่อนบอกว่า สุดจริตีสามเป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารของการพิจารณาเรื่องนี้ต้องอาศัยสุดจริตีสามนั่นแหละสุจริตีสามเป็นอุปนิสัยมาแล้วซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจนั้นธรรมะบางอย่างนะไม่กล่าวถึงแต่เหตุใกล้ของธรรมะเหล่านั้นเท่ากับกล่าวถึงแล้วนะโดยหลักประทับฐานอาหาระวางนั้นท่านจะต้องมีความรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วจึงมาขึ้นชั้นสูงได้นั่นแหละ เสร็จแล้วนี้ถ้าการพิจารณาอย่างนี้มากๆอาศัยผู้คนที่พิจารณาเรื่องนี้ดีอาศัยศีนี่เป็นผลักที่หนึ่งแล้วความสุจริตทางกายทางวาจาในขณะเห็นเนี่ยเป็นรถผลักที่หนึ่งรถผลักที่สองนะถ้าเป็นรูปธรรมดาทั่วไปถ้าเห็นเรียกว่าสัตว์บุคคลก็เจริญเมตตาเจริญเมตตานี้ก็เป็นทิฏฐิวิสุทธิเอ่อเป็นจิตตาวิสุทธินั่นแหละลเจริญเมตตานั่นแหละประเภทจิตตวิสุทธิหรืออะโลภา คิดจะให้จิต ท, ที่คิดจะให้ในขณะนั้นก็เป็นวิสุทธิอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ต่อไปนะสุจริตต่อไปคือข้อมโนกรรมนั้นชัดเจนในเรื่องกรรมค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นรถผลัดที่สองผลัดที่สามขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณามากๆเข้ารถรนี่มันจะวิ่งทางตาเรานะรถในที่นี้ได้แก่กุศลธรรมนั่นเองเป็นการเจริญเติบ่อขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ นะถ้าขยายให้ละเอียดละเอียดอีกนิดหนึ่งเคยจําได้นะในสมัยที่เราเรียนเรื่องคําว่าพระตถาคตสเสด็จไปแล้วอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงประนามว่าตถาคตเพรา ะ, ะเสด็จไปอย่างนั้นสเสด็จไปอย่างไงก็คือออกจากกามด้วยเนื้อขมมะนั่นแหละในทางตางนี่อะไรเป็นกามวัตถุกามกับกิเลสกามพระองค์เนี่ออกจากกามนี้ด้วยเนื้อมมะออกจากพยาปาทะด้วย อพยาปัธะก็คือเมตตาออกจากทีนามิธาด้วยอโลกะสัญญานั่นแหละออกจากความฟุ้งซ่านด้วยการกำหนดธรรมออกจากาวิจิกิชฉาด้วยการกำหนดออกจากอาวิชชาด้วยยานะนะเสร็จแล้วพรงศ์สามารถต่อเป็นฌานได้ออกจากออกจากนิวรณทั้งห้าด้วยปฐมฌาน ออกจากวิตกวิจาร์ด้วยทุทิยาชานะพุทธเจ้าจะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงอรหัตตมรคนี่แหละเรียกว่าตถาคตเพรา ะ, สะเสด็จไปอย่างนั้ น, น, นพระองค์เนี้ยสเสด็จไปได้โอ้โหของเรานี้ย ก, กับพิพิตาเรายัางไม่ทันไปไหนเลยลก็ยังยังยังเห็นเป็นเรื่องราวเลยโดยที่ยังไม่เข้าถึงคำสอนในส่วนนั้นนี้ไม่เข้าถึงภาพปริยติธรรมเหล่านี้เราจึงห่างสารณะที่เป็นโลกุตระมากนั่นแหละ เราจนห่างมากเพราะเรามองไม่เห็นคําสอนทั้งหมดเหล่านั้นว่าอยู่ตรงขนตาเราเลยถ้าเราอ่านในปตัตตยดกนะฮะเราจะเห็นว่าสมถะกับวิปัสสนานี่ควบคู่กันไปตลอดถ้ากล่าวถึงธรรมะในระดับสู ง, สงนะครับเออแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ค่อยให้ความสนใจนะ<ช>นะพอพูดถึงสมถะปั๊บเราก็รู้สึกเรา คาราวะาไม่น่าจะเข้ามาอะเกี่ยวข้องแต่แท้ที่จริงแล้วนี่นะครับวิปัสสนากับสมถานเนี่ยเป็นของคู่กันเลยอ่ะและอีกอีกอย่างหนึ่งนะพวกกันพูดถึงคำว่าสมถานเนี่ยคนนึกถึงอะไรก่อนอคุณมุญโชวนึกถึงสมถานนี่คุณจะนึกถึงอะไรอันะไม่ตอบก็ได้นึกถึงสมถานนะคนนึกถึงสภาวะของเมตตาไหมไม่ไม่ค่อยนึกเท่าไหร่ตัวสมถานได้แก่เมตตา ใช่ไหมสมมติว่าตัวเมตตาหรืออะโทสะเจตสิกหรือตัวสมถะบางอย่างเช่นตัวสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมรณ า, านุสติตัวสติที่ระลึกเหล่านั้นนะคือตัวสมถะนะมึงไม่ค่อยนึกตรงนี้อ่ะมไปนึกอิริยาบถอิริยาบถเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอพยากตะอพยากตะไอชักไม่ลงประเด็นนั่นนะ <laughs> ไม่พอ อิริยาบถเป็นกุศลอิริยาบถไหนเป็นกุศลเห็นไหมฉั้นอิริยาบถเป็นอัพยากตะธรรมอัพยากตธรรมบางอย่างเกื้อกูลต่อกุศลเราก็ไม่ปฏิเสธด้านนั้นแต่เวลาพูดถึงสมถะปั๊บเราต้องนึกถึงกุศลธรรมเช่นสมถะบางอย่างองค์ธรรมได้แก่สติคืออนุสติสิบสมถะบางอย่างเป็นองค์ธรรมได้แก่เมตตาเจตสิกนั่นแหละหรืออาโทสะเจตสิกนั่นเอง ท่านเราต้องนึกตัวเมตตาถ้าเมตตามันจะเป็นยังไงบ้างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมเมตตามโนกรรมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนเป็นการคิดนึกอย่างไรจริงจะเป็นลักษณะของเมตตาและต้องนึกถึงสภาวะที่มันตรงกับความจริงถ้าไม่อย่างนั้นปับ๊บเราจะนึกถึงที่ไหนก็ไม่รู้นึกถึงสมถะปับ๊บนึกถึงต้นไม้ใบหญ้านึกถึงกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งมันอยู่ในป่ากลางดงลึกโอ้ที่ไหนงั้นไปเช่ารีสอร์ทอยู่จะได้ มันก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ปฏิเสธนะแต่สำคัญที่สุดเวลาพูดถึงคำว่าสมถะต้องนึกถึงกุศลจิตนั้นนันน่ะอย่างสมัยก่อนเนี่ยมาเนี่ยเอานาฬิกานี่มาตั้งเลยเราจะนั่งให้มันได้สามสิบนาทีอะนาฬิกามาตั้งถ้ามันถึงสามสิบมันจะปุกนั่งไปนั่งมานะมันไม่ค่อยสนใจเอาอารมณ์กุศลไม่เคยสนใจแล้วเมื่อไหร่นาฬิกาจะดังักทีไห น่งเ ต, ต, ตะเตะเตะเตะเออได้ได้เวลาแล้วอวันนี้นั่งได้ตั้งชั่วครึ่งชั่วโมงโอ้ดีใจใหญ่เลยวันนี้เราได้นั่งได้นานจะได้ไปเล่าบอกเพื่อนได้กลายเป็นว่าเอาอิริยาบดมาเป็นเป็นประมาณเสร็จแล้วก็ฟุงง้งกันนั่งคุยกันก็ลายแตกฟองออกไปที่ไหนก็ไม่รู้ดูจะห่างกุศลธรรมมากนั้นตอนนั้นเราเจริญอิริยาบดไม่ได้เจริญกุศลคือคือตัวเองเนะเฉพาะตัวตัณมานะ ทัา น, นเราเจริญอิริยาบทไม่ได้เจริญกุศลทัา น, นก็กุศ ล, ลจิตก็ไม่ค่อยเกิดน ะ, สะเสร็จเวลาพูดถึงสมถะจะนึกถึงตอนที่เราไปนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวนั่นแหละซึ่งนึกถึงที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าความเข้าใจตรงนี้ไม่มีพอไปถึงตรงนั้นก็เท่าเก่านั่นแหละถ้าความเข้าใจเรื่องเมตตาขณะนี้ไม่มีเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆนะมันก็เหมือนกับตรงนี้แหละถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจไปนั่งอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหม มันก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นความเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและส่วนที่สําคัญนะเวลาเราพูดถึงอะไรพยายามนึกถึงสิ่งนั้นๆให้ให้ตรงกับความจริงของเขาซึ่งยมยมก็มาเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์ใ้ตอนที่เรียนกับความเป็นจริงเนี่ยมันคนละอย่างเลยเขบาบอกงั้นทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นจะได้ก่อนเลยคือเพราะเพราะเรานึกคนละอย่างเลยเวลาเรียนกับเวลาเช่นเย็นวิชาบางอย่างนะ ในการเขียนเนี่ยที่จริงดีมากในการอุปการะเกื้อกูลต่อความเข้าใจแต่เราต้องต้องพยายามนึกว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยอยู่ข้างในตัวเรานะเช่นดวงจิตเราต้องนึกว่าจิตตัวนั้นต้องอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ดวงเขียนแต่ว่าถ้าไม่เขียนมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยภาพอาศัยนิมิตเพื่อสะดวกในการขีดเขียนแผนที่กับของจริงเนี่ยเหมือนกันไหม เันแผนที่ก็คือเป็นบัญญัติเพื่อที่จะเข้าใจความจริงถามว่าความจริงโดยที่ไม่อาศัยแผนที่ได้ไหมตารางบางอย่างก็ต้องอาศัยแผนที่แต่เราต้องมอง ล, ะละักษณะความสัมพันธ์กันไม่ใช่เอียงอย่างใดอย่างหนึ่งบอกแผนที่จะไม่เอาอะจะเอาแต่ของจริงไอ้พวกของจริงก็จะไม่เอาแผนที่มันก็เลยเถิดไปนั่นแหละก็เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละพราะเอาทั้งสองอย่างเพื่อเราจะนึกให้ตรงกับความจริงเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างให้ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปการะต่อกันมาก และกุศลจิตของเราก็สามารถเกิดได้โดยที่ไม่มีอะไรมาสะดุดมากนักและพยายามนึกให้ตรงกับความเป็นจริงนั้ น, น, น